หลับตาลืมตาให้เสมอทัดเทียมกันนะคือมีความรู้สึกเท่าเทียมกันว่าลืมหรือหลับต่อไปเมื่อยืนหรือนั่งก็เท่าเทียมกันนอนนั่งก็เท่าเทียมกันไปหรือมาก็เท่าเทียมกัน ถ้าทำได้อย่างนั้นจริงนะคันันแสดงเราเข้าถึงถึงใจแล้วเพราะใจไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างไม่มีระยะทางไม่มีการเวลาดังนั้นมันจึงเสมอต้นเสมอปลายตลอด ไม่รู้ไม่เชี่ความสุขคือความทุกข์ควาสุขทุกข์ก็เท่าเทียมกันอย่าสนใจเลยครับเมื่อกิติอะไรเกิดขึ้นมาหรือรู้สึกสบายสบายขึ้นมาจะไม่สนใจมัน ย, ยิ่งไม่สนใจยิ่งดีสนใจรู้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องคิดขึ้นมาว่าเราจะรู้เพราะว่าใจนั้นรู้แล้วใจเป็นธรรมชาติซึ่งรู้อยู่แล้ว ตัวรู้ตื่นรู้แจ้งใจนั้นรู้ตื่นรู้แจ้งรู้เสมอ คือเขารู้อยู่เสมอคือเสมอต้นเสมอปลายเสมอตลอดเวลาจกซึมซึมก็ตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นเพื่อจะได้ สมสัดส่วนของความเป็นมนุษย์คุณนอ้ตั้งใจฟังครับเพราะว่า<อ>คุณจะเป็นบทสรุปของ เนื้อหาของคำใหญ่ยยทุกๆครั้งที่ล้วมาตั้งใจฟังให้ดีคนระับ จ, จะทำนั้นไม่อาจ ผ่านเข้ามาทางความคิดได้เพราในกระแสนความคิดในห่วงความคิดนั้นเป็นเพียงแบบจำลองดังนั้นผู้ศึกษาธรรมะด้วยการคบคิดนั่งคิดนอนคิดนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียนว่าเป็นเธอเป็นเพียงนักคิด เธอนั้นคิดพลานทั้งวันหาใช่ผู้ทรงธรรมไหมอย่างดีที่สุดคุณการกขคิดก็ทำให้แตกฉานพูดจาระัยได้มากแงามากมุมเท่านั้นแต่หัวใจหาได้บรรลุถึงสัจธรรมข้อนั้นจรงิงไหมสัจธรรมนั้นใหดด้กะพู้ดูภาษาชาวบ้าน คือความจริงแท้ไม่แปรปรวนความจริงเด็ดขาดไม่เกี่ยวคำคนความจริงที่ยั่งยืนเป็นนมตักสัจธรรมนั้นจะปรากฏต่อหั ว, หวใจของผู้ที่ทรงธรรมนั้นหัวใจที่แน่ๆแจ่มใสหัวใจนั้นเป็นยอดจอมประุกกับยอดเอเวอเรส เป็นจอมของหิมาลายดังนั้นแสงอรุณแรกของดวงอาทิตย์ย่อมจับที่ยอดดอยนั้นก่อนแล้วก็ฉาบไลยลงไปทั่วจนทั่วผืนปัตตกีดังนั้นเมื่อพระธรรมเขาจับที่หัวใจครับจะรู้สึกทั่วถึงเรือนกายเมื่อชิมซาพระธรรมที่เรือนใจนะครับเรือนกายก็จะไหวครับ เรื่องมี ก, กายเป็นสักขีเป็นสักขีพิยานดังนั้นถ้าเราปล่อยให้อำนาจของขี้เล็ดหรือความยึดถือหรือความไม่รู้ตัวรากจูงไปในห้วงความคิดบ่อยๆก็ชื่อว่าเรากึงมัน เดินมาในทางที่ผิดปีแล้วปีเล่าเราจะค้นพบว่าเรามีความรู้เพิ่มพูนขึ้นแต่หัวใจก็เหี่ยวแห้งขึ้นเงินอาจจะมากขึ้ น, นครับแต่น้ำจิตใจมาตรีน้อยลงใจเรา มืดและดำขึ้นในขณะที่เราสะสมทรัพย์ที่ดินพวกบริวารปดนมากขึ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการกระเตรียมหัวใจของเราเพื่อที่จะให้หัวใจของเราไหวรับศัลธรรม จริงอยู่นะครับที่มีคำกล่าวว่าปัญญาเป็นปุดแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างใดเกิน แ, แสงสว่างนั้นเพียงเครื่องสองแต่การเข้าถึงเป็นการเข้าถึงทางใจสัจธรรมนั้นเปิดเผยขึ้นที่หัวใจเรา โดยการนำของปัญญาสติและปัญญาจะเป็นเครื่องนำทางมาเรื่อยๆเพราสติและปัญญานั้นช่วยให้เรารู้อะไรถูกและอะไรไม่ถูกช่วยให้รู้อะไรคือทางและอะไรที่ไม่ใช่ทาง ในยามที่เราหลงทางครับสติปัญญานเองจะบอกเราว่านี้กําลังหลงทางเมื่อเรารู้ว่านี้กําลังหลงทางนั่นคือทางพอดูดเดียวคนที่ลืมตัวคันกําหนดรู้ได้ว่านี้กําลังลืมตัวนั่นคือการรู้ตัวไม่ต้องรลางกลางาปฏิบัติ เราต้องการอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งคือฐานรากเช่นเดียวการก่อสร้างอาคารฐานรากค็นสิ่งจําเป็นและต้องมาก่อนเราไม่สามารถสร้างบ้านโดยการมุงกระเบื้องทันทีเราจะเริ่มต้นในการลงต่อหม้อทาคานกอดินตั้งเสาต่อคานขึ้นเครา ใจจันทนแล้วก็ตารับกระเบื้องแล้วก็จินมุงกระเบื้องฐานรากที่สำคัญที่สุด ค, คือธรรมชาติแท้ๆของเราความรู้ด้านประยัตินั้นไม่ใช่ฐานราก ความรู้ทั้งหมดที่เราจํามาจากผู้อื่นยังดีที่สุดบทบาทของเขาก็คือเป็นเพียงอนุสติเท่านั้นเครื่องตื่นจิตสุกิจใจเท่านั้นพอเราเรียนรู้ประไตรปิฎกจนหมดสิน้นท่องจําได้ทุกประคมทีทุกเล่มทุกพิสูจน์สิ่งนั้นก็หาเอามาแก้ ปัญหาในภายในได้จริงๆไม่อย่างดีก็ช่วยปลอบประโลมให้จิตใจมีศรัทธาบ้างแล้วเป็นเพียงความเข้าใจคร่าวๆทารากทางด้านอารมณ์ก็คือศรัทธาเนื่องจากสัจธรรมไม่อาจเข้ามาสู่ มนุษย์ได้โดยการคิดด้วยเหตุไปผลสามัญดังนั้นต้องมีศรัทธาก้าหนักแน่นในศรัทธาเพราะศรัทธานั้นเป็นพลังที่จะแปรเปลี่ยนเป็นสมาธิเพื่อที่เบิกกรีดของหัวใจ ในตรงกลางการปฏิบัตินี้เป็นการพัฒนาการชีวิตและในบางช่วงบางตอนเป็นการอภิวัฒนาการคือการปฏิวัติตัวเองมีบางตอนนั้นเราต้องตามไปบางตอนต้องยับยัางอารมณ์บางตอนก็ต้องสลักเหมือนทิ้งเพียบะดุจคนซึ่ง ขับรถยน ต, ต์บางตอนนั้นต้องพุ่งไปข้างหน้าบางตอนต้องชะลอเมื่อจะเลี้ยวโคง้งถึงบางช่วงต้องหยุดแล้วไต่ไช้าๆแล้วก็ถึงบางตอนซึ่งเครื่องเสียแล้วทางลาดลงจากหลายเขาก็ต้องประครับประคองแล้วไปถึงที่ที่หนึ่งอาจจะต้องกระโดดลงเพื่อให้พ้นจากอันตราย ตัวใจแล้วไม่มีศรัทธานครับมันเป็นสัญญาณอันตรายคนระับศรัทธาน้อยพลังต่างๆสบียงกลงางต่างๆในการเดินทางไกลชนิดนี้ก็จะน้อยมันน้อยแล้วเพียงเดินทางไปพักเดียวเท่านั้นนะครับจะท้อถอยเพราะว่าลรงดึงดูดทางโลกมันสูง สิ่งยู่ยวนอารมณ์สนุกสบายมายาภาพต่างๆทั้งในตัวเองหรือสังคมเนี่ยมันมีแรงดึงมากกว่าในการเดินทางไกลเพื่อกลับกลับไปสู่หัวใจตัวเองเนีนะครับเราจะพบทั้งอุปสรรค การเอาชนะอุปสรรคได้ก็คือบารมีเราจะพบถึงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสเท่ากับความรื่นเริอเบิกบานใจเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคนั้นเป็นตอนๆแหล่งที่พักพิงที่เรียกว่าโอเอซิสเขาทร้ายโอเอซิสในเทซาก็มีอยู่แต่หาใช่ถิ่นทาวอนไม่ ยัมีจุดสิ่งเชิญสุดอยู่4ีสิ่งสี่ประการที่เราควรจะทำคทวามรู้จักไว้ล่วงหน้าก็คงจะดีกว่าที่จะไม่รู้จักแต่ครั้นแล้วเมื่อเราหัวใจเราเบิกบานขึ้นหัวใจเราเป็นธรรมขึ้นเราจะพบสิ่ง น, นี้ได้จริงๆโดยไม่ต้องคิด การเข้าถึงสั์ธรรมนั้นเป็นการได้รับมาซึ่งสิ่งพเิเศซึ่งสามารถจารนัยจก แ, แจงเป็นหลายลักษณะหลาภการสิ่งพเิเศเลิศสุด ส, สีประการนั้นคือความมีไมตรีจริตมิตรภาพกับสรรพสัตว์คสึญาติ ด, ดีกับ คนทุกชนชาติในโลกนี้ไม่เลือกเทศผิวพัรณมันนะะเป็นฝรั่งมังคาเซกจีนพรามแแขจจีนจามพรามแแขกก็รู้แล้วแต่เป็นรูปนามเป็นชีวิตชีวิตนั้นเป็นอันเดียวกันตลอดแม้จะมีรูปทรงแปลกลแต่ตัวชีวิตนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน ติดเดียวกันน้ำน้ำที่อยู่ในห้วยในบึงในคลองหรือในทะเลก็เป็นเพียงหนึ่งน้ำหรือเช่นเดียวกับไฟก็เป็นเพียงหนึ่งไฟดั้สิ่งที่เรียกว่เมตตานัน ค, คือความรักสมัครสมานฉันไม่ใช่ความรักด้วยอารมณ์ที่คิดขึ้นแล้ว มีอยู่เฉพาะรานแต่ด้วยความจนหนักรู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าสพรพพชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันนี่เป็นสถานที่หนึง่งเป็นสิ่งประสริฐสุดฐานที่หนึง่งด้วความมีไมตรีจิตมิตรภาพเห็นชีวิตทั้งหมดทั้งวงเนี่ยเป็นเพียงชีวิตเดียว สิ่งประเสริฐสถานที่สองหรือประการที่สองจากความรู้สึกที่มีไมตรีจิตมิตรภาพนี้เองเกิดความสิ้นเวรสิ้นภัยขึ้นจิตใจแคล้วคล่องการงานจึงโน้มนำไปสู่การสงเคราะห์เกือกูลสิ่งประเสริฐประการที่สองนี้เรียกว่ากรุณา จิตจัดลักษณะของการเคลื่อนไหวเข้าไปสงเคราะห์ในขณะที่สิ่งริเศรการแรกนั้นเป็นเพียงจิตใจที่เป็นไมตรีเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรให้สิ่งพิเษสถานที่สามที่เรารู้จักวามุทิกาคือความปราบ ร, รื่มยินดีกับบุคคลที่ประสบความสาเร็จ ใจร่วมอนุโมทนากับสิ่งที่ดีๆนับตั้ง แ, แต่เห็นยอดไม้แตกใบเขียวก็รู้สึกยินดีที่เขาได้เติบโตเห็นเด็กเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิตสอบไล่ได้ได้การงานดีๆก็ปล่อยยินดีไม่ใช่ยินร้ายหรืออิจฉาริษยาค้ายทุกคหนึ่งถือ ภาชนะใส่แก้วใส่โถแล้วก็ลื่นหกร้มข้างบ่อน้ำเสียงแรกที่ผมได้ยินคู่นี้ตะโกนว่าแก้วแตกหมดนั้นเป็นจิตใ จ, จซึ่งไม่ปราณีเพื่อนทันทีที่เขาโอ้คุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะเจ็บข่าไม้แก้วบาทาหรือไมจิตใ จ, จผู้ที่ร่วมโมโนทนานนหรือนมีกรุณาเมตตาเขาจะไม่คิดหลาย คนบางคนเสียดายแก้วไม่เสียดายเข่าของมนุษย์หรือหน้าผากที่เลือดอาบจิตใจชนีน่าไว้ห่างไกลจากสิ่งประเสิบมากถ้าเราเห็นคนหกลม้มคนใช้ของเราหรือน้องของเราที่เราใช้ถือสิ่งมีค่าสิ่งมีค่าประการแรกคือตัวเขาไม่ใช่แก้วน้ำ แก้น้ำนั้นเราหาเมื่อไหรก็ได้ครับแต่ว่าน้องหรือพี่หรือคนใช้เขาก็เป็นชีวิตเหมือนเราังนั้นจิตใจที่ประเสริฐนะครับผู้ที่เข้าถึงถิ่นประเสริฐย่อมมีจิตใจที่ดีชอบที่เห็นคนอื่นปลอดภัยในโลกในสังคมทั่วไปนั้นแข่งดีกันแทบจะทุกวงการแต่ทนายทางธรรมนั้น ถ้าเราได้ยินข่าวว่าใครพ้นทุกข์เราย่อมพอยยินดีใครสละกิเลสได้มากหรือใครได้ลาบสักการะเสียงเรินเริญจากการทำความดีของเขาเราควรพรอยินดีซิงพระเสด็สุดประการที่สี่ก็คืออุเบกขาความดำรงสติทำความรู้สึกว่าเป็นกลางๆ ในขณะที่รู้สึกตัวเั็นกลางกลานั้นพร้อมเสมอสติปัญญาก็พรั่งพร้อมอยู่และเป็นทั้งสมาธิและเป็นสภาวะของชีวิตช่วงที่ดีที่สุดก่อนหน้าที่จะรู้แจ้งพระสัจ ธ, ธรรมและพรพร้อมวันนั้นพร้่งพร้อมอม่ด้วยมนุษยธรรมด้วยจิตใจที่ได้ดุลของมันภาวะสติอรูอุเบกขานะั้น ไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาไม่ใช่มุติตาคือปราศจากสิ่งเคลื่อนไหว ป, ปรากรมหรือปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นท่านจึงถือว่าอุเบกานั้นเลิศจุดเลิศกว่าเมตตากรุณามุติตาเพราะเป็นฐานที่เป็นศูนย์กลางที่จะสามารถเคลื่อนไหวเป็นเมตตากรุณามุติตาได้โดยฉับพลัน สิ่งนี้นึกษาควตระหนักนเคราะว่าพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเลิศได้ตรัสสิ่งเลิศไว้ในลักษณะเช่นนี้พระสิทธิ์เที่ยงเมตตาธรรมคําจุนโลกเราคุ้นหูมากครับแต่ผมเพื่อเราไม่พะยทราบสิ่งจริงๆที่หัวใจของเราความทราบซึ่งในพระธรรมนะครับย่อมเกิดจากความรู้สึกตัวที่เด่นชัด กระดุดกกระดาษซับที่แห้งสนิทเมื่อตักไว้ที่หมึกมันจะดูดทันทีทันใดแล้วเต็มที่จนกระทั่งหมึกที่หยดนั้นเหือดแห้งไปหมดเพียงได้ยินพระวจนะสักประโยคหนึ่งสามารถดูดซึมเข้าไปเป็นวิตามินหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นนานปีแล้วถ้าความรู้สึกดวงเรานั้นทื่อไม่ฉับไว ต่อเรื่องราวในสิ่งที่ประสบแล้วต่อเราได้ยินทุกวี่ทุกวันถูกกรอกเข้าหูทุกวันเราก็เหมือนกระดาษรับซึ่งชุบน้ำมันไว้เต็มที่แล้วดังนั้นพอไปซับหมึกมันก็ไม่ดูดเข้นมาแต่ทุกจองก็ไม่อาจทำรด้เพราะต้องรอเลี้ยงจิตสานึกให้สูงสง่ง ยอมลดจิตใจให้ตกต่าเกีก่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายหรือปากทางของอบายเช่นพรานพลาดชีวิตไปวันหนึ่งโดยสิ่งที่ร้ายฆ่าผู้เดินทางไกลเช่นนี้นะครับต้องควรที่จะกําหนดรู้ได้หรือควรที่จะเสาะหากัลยาณมิตรผู้ที่มีใจเป็นธรรมและเมตตาเพื่อที่จะได้หล่อเลี้ยงพลังศรัทธา ควเพียรผู้จะบรรลุถึงจิตที่หนึ่งแน่และเพื่อที่จะได้รับสิ่งกระเสริฐหลายหลายสถานเมตตานั้นแท้ที่จริงก็คือความกตันยูรู้คุณคนด้วยแต่เราพูดเมตตาในฐานะผู้ใหญ่ทํากับเด็กหรือเพื่อนกับเพื่อนแต่ถ้าเด็กเมตตาบิดามารดาเราก็ยักยืงไปเรียกว่ากตัญยู ที่จริงมันเดียวกันพรมวิหารนั้นชื่อว่าเป็นธรรมของผู้เป็นใหญ่ไม่ไม่ใช่ธรรมของผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้หมายอายุธรรมของผู้ที่จะยิ่งใหญ่หรือเป็นใหญ่หมายว่าเด็กก็ได้กลางคนก็ได้บรรพชิตก็ได้แม่ทีก็ได้ชาวบ้านก็ได้ เขามีสิ่งที่เรียกโปรโมยวิหารเขาก็ได้เพิงพักที่มีที่มีเสาหลักอันแข็งแกล่งสีเสาเพิงนั้นก็ให้ความร่มรื่นจึงเรียกว่าวิหารอันเปรเปรนี่คือแหล่งพักพิงที่เป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นกินเวลาชั่วขณะนึ่ง แต่ก็ยาวนานตลอดชีวิตของเราเมื่อเราตั้งหลักรู้สึกตัวนั้นกินเซี่ยววินาทีเดียวเท่านั้นเราก็รู้สึกตัวได้แต่เราต้องดารงมันไว้ตลอดชีวิตตลอดจนกว่าจะสิ้นอายุไขยในชั่วโมงต้นๆนะครับผมได้กล่าวถึงสัทธาห็ พ่าเป็นราดฐานที่สำคัญแล้วก็แม้ว่าศรัทธานั้นยังอิงแอบบุคคลอยู่คือเราเริ่มสายศรัทธาบุคคลก่อนแต่ในที่สุดเราต้องย้อนมาศรัทธาต่อการกรํารักที่จะเห็นตัวเองนี่ปฏิบัติธรรมแลม้วมจะก่อเกิดความภาคเพียรขึ้นเพราะศรัทธานั่นเอง เมือ่อศรัทธาน้อยความเพียรจะน้อยศรัทธาไม่มีเลยความเพียรก็จะไม่มีเมือ่อศรัทธาอยู่ที่บุคคลก็จะปฏิบัติเพื่อพนอบุคคลนั้นๆเท่านั้นเพื่อผุจบประแจงคนนั้นเท่านั้นเมือ่อศรัทธาบริสุทธิ์การปฏิบัตินั้นก็บริสุทธิ์ความเพียรก็บริสุทธิ์จากความเพียรนั้นเองมันจะนำไปสู่การตั้งหลักบ่อย ตั้งสติบ่อยๆดังนั้นความเพียร น, นี่ต้องทำอยู่เสมอเพื่อให้สติเต็มเพื่อให้สติมีกำลังเมื่อทำอย่างนั้นบ่อยๆสติก็ต่อเนื่องกันขึ้นก็กลายเป็นพลังของสมาธิทีนเองโดยไม่ต้องเรียกร้องต้องการไม่ช้าไม่นานนะครับว่าพลังสมาธิชนิดที่เกิดจากสติเป็นต้นเหตุและความเพียรและศรัทธานัน เป็นต้นต่อ น, นั้นจากการสมาธิซึ่งสามารถแลเห็นเป็นฐานที่แลเห็นอะไรต่อมิอะไรเพราะสมาธิชนิดที่ต่อเนื่องจากสตินั้นมันจะไม่รับสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งฝ้าฟางเข้ามาเพื่อบดบังดวงตาในภายในตัวดเดียกันน้าในสระซึ่งใสสะอาดบุคคลที่ตาดีก็จะมเห็นปูปลาหอยกุ้ง ก้อนหินอะไรเหล่านี้ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเริญสติจนถึงระดับสมาธิและมีปัญญารู้เห็นกฎของธรรมชาติเป็นดวงตาในภายในจิตใจก็เริ่มสัมผัสกับแสงสว่างของสัจธรรมเช่นเดียวกับดอกบัวได้รับแสงอรุณก็เริ่มแย้มกรีบขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้น ยอมรู้ย่อมเห็นปฏิภานไหวพริบความรื่นเริงใจก็จะตามมา ก, ก็ย่อมเห็นลู้ทางที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่อยู่เหนือโลกอยู่เหนืออารมณ์ได้เองซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องอิงหรือพึ่งผู้อื่นอีกนท่ต้องการการเดินทางเช่นนี้ครับ เราจะต้องพัฒนาหลายหลายสิ่งรอบๆตัวขึ้นมาด้วยเพื่อที่ให้เป็นฐานรองรับประดุดเดียวกับเพชรซึ่งมีราคาแพงย่อมไม่มีใครที่เอาไม้มาทําเป็นแหวนเพียงเพื่อให้หัวเป็นเพชรหรือแหวนที่เรือนทองและหัวเป็นกรวดดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนด้วยที่ต้องเข้าร่วมในการพัฒนาสังคม นอกเหนือจากการปฏิบัติสัจธรรมเพื่อเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านผู้รู้ครั้งอดีตการเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็ย่อมเคลื่อนไหวโปรดสัตว์มาใช้คำว่าโปรดสัตว์คือช่วยสงเคราะห์ให้คนอื่นเข้าถึงด้วยเมื่อตื่นแล้วก็ย่อมปลุกเพื่อนให้ตื่นด้วยเพื่อจะให้สังคมเป็นสังคมของมนุษยชาติที่แท้ บู้คนผู้เข้าถึงสัจธรรมนั้นเชื่อเป็นคนแท้เป็นมนุษย์ที่แท้ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นมนุษย์เท็จเทียมเป็นมนุษย์ที่หลอกลวงชาวบ้านเป็นมนุษย์ที่ชอบการโกรหกโกเท็จเป็นมนุษย์ที่มีร้อยเล่กลาวนวันนี้เมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมหรือว่าสัจธรรมเข้าถึงท่านประดุจเดียวกับลิ้นดื่มน้ําน้ําก็ดื่มลิ้นด้วยชุ่มกันทั้งสองประการ ผู้ที่เข้าถึงศาสาธรรมเช่นนั้นก็ย่อมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือมนุษย์ที่แท้มนุษย์ที่แท้นั้นจะไม่อยู่ในที่ที่เป็นมายาเท็จเทียมดังนั้นท่านก็จะสร้างชุมชนของท่านสร้างสรรค์สังคมมนุษยชาติสมัยโดยอัตโนมัติดัดเดียวกับหัวแหวนซึ่งเป็นเพชรย่อมเรียกหาทองสําหรับเป็นเรือนแหวนย่อมไม่ต้องการที่จะ กลัวหรือโน้มเอียงูปในทางโลกโลกโลกอีกเลยถ้าเราเห็นเขาโครงที่นี้นะครับเราก็เริ่มละความเป็นมนุษย์ที่ไม่แท้ออกไปรักษาไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ของเราอันไหนนิสัยใดที่โลเลนิสัยที่เหลวไหลชอบหลอกลวงตัวเองหลอกลวงผูอ้อื่น ล้วก็ละมันมีเท่านี้เองถ้าเราละมันได้จริงแล้วไม่กลับมาอีกนั่นเรากลังก้าวไปด้วยดีแล้วถ้าละแล้วกลับมาอีกนั่นแสดงว่าพลังศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเราก็ยังไม่พอเราก็เพียรต่อไปเกิดเป็นคนแล้วต้องเพียรเพียรที่ละสิ่งที่เป็นอนุสสนเมื่อสัตว์เจริญฉานันมันทาไม่เสร็หรือพวกเทวด า, าบางองค์ก็ไม่ชอบทา ก็อยู่สุขสบายเกินไปในช่วงถัดถดมานั้นผมก็เอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คนแรกผู้เป็นต้นต่อของเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษย์เสืชาติจะมีจริงหรือไม่เป็นท่านผู้ใดนั้นเราไม่รู้แต่ว่ามนุษย์คนแรก